เปิดพที่น่าสิสิทธ์นะครับเพราะนั้นมาถึงมาติกามาติกาสําหรับมินิใช้ถึงเขาสิขาบนสิบเจ็ดข้อด้วยกันพระที่นั้นก็ได้ว่าเสียข้อทั้งสิบเจ็ดข้อก็ได้ําลัอธิบายอธิบายมาถีงนิทานนะครันิทานบุคคลวัตถุแล้วก็มาถึงบัญญัติครับบัญญัติกรณีดูตามในชี้เนี่ยว่าจะอธิบายตามในชี้นี้ ใช้ได้เลยนครับก็ต้องมาอ่านในการหาอี่ตั้งอยู่นะเฉพาะบางที่ที่ในชิ้นีไม่มีนะครับก็จะอ่า น, นการหาแต่ว่าก่อนที่จะกลับมาปรมาณสิบกาสิบเจ็ดนะผมจะให้กลับมาดูตรงหน้าสามสิบก้านีกทีนะครับไอตรงที่ว่าอัลไซเมอร์ทุนนโดยที่สุดแม้ในสเตรนชาต์ตัวเมียมนะครับตรงนี้ยังไม่ได้อธิบายเขียนว่าสเรนชาต์เนี่ย ที่ท้ใยไปดาอมบะเวลาใช้ธาตุวิสุปริสเสงนะเอาตัวขนาดไหนครับตัวขนาดไหนีน่งมีนะครับมีบอกครับครับยงเอาไว้ผมจะให้ฟัง น, นะอยู่ในวินัยปีดกเล่มหนึ่งนะครับหน้าแปดร้อยสิบหกมีคาที่หมายที่นี่นะครับท่านอธิบายว่าตีะาัะฉานัคตาเยติสามนี้นะครับ ในประชาสัตว์ผู้ไปแล้วคือผู้เกิดแล้วในเราสรัตว์ดิฉาด้วยอำนาจปฏิสนธิก็ปฏิสนธิในกําหนดของดิฉานะครัความว่าพิสุูจน์เมถุนธรรมในหญิงผู้เป็นชาติมนุษย์ก่อนกว่าก็สัตร์ชิฉาตัวเมียซึ่งเป็นวัตถุแห่งประหลาดชิพ น, นั่นแหลควรถึงเอาว่าสัตว์ดิฉาในปฐมประหลาดชิพ น, นี้ไม่ใช่สดตว์ดิฉาตัวเมียทั้งหมดนะครับ ไม่ใช่สัตว์ในฉันตัวเมียทุกชนิดนะเฉพาะบางชนิดนะครับอ ส, สัตว์ในฉันตัวเมียไม่ใช่วัตถุแห่งปราชิกทั้งหมดนะครับอย่างยๆตัวผู้เอาเอนกันนะครับตัว้อาเมอนกันในคําว่าสัตว์ในฉันนั้นมีกำหนดประเภทสัตว์ดังนี้ถ้าในคืนถ่ายเอกสารใหม่นะผมจะเขียนมาให้นะครับโอ้เขียนภาษาบานีให้หรือยนภาษาไทยไม่เป็นไรก็ให้บอกว่า บรรดาพวกสัตว์ไม่มีท้าอสัมมีไม่มีท้าก่อนได้แก่งูและปลานะครับสัมมีไม่มีท้างูและปลาและบรรดาพวกสัตว์มีสองท้าได้แก่แม่ไก่อันนี้หัวข้อเป็นคถานรับนะครับเดี๋ยวจะมีคำอธิบายนะบรรดาพวกสัตว์มีสี่เท้าได้แก่แมวตัวเมียแมวสัตว์ดิราชานตัวเมียเหล่านี้เป็นวัตถุแห่งปาชิตนะครับ เยเลี้ ย, ยวตั้งแต่อธิบายมาแต่ละอย่างน ะ, ะบรรดาสัตว์มีงูเป็นต้นเอาสัต์ที่ไม่มีท้าว่ะ น, นะทีฆ่าชาติาสัตว์ที่มีลําตัวยาวแต่ในประเภทมีงูเหลือมและงูกว้างคอ ง, ง, งเป็นต้นแม้ทั้งหมดท่านสงเคราะห์เข้าด้วยอหิษัตว์ครับเพราะฉะนั้นบรรดาทีฆ่าชาติทั้งหลายทีฆ่าชาติที่พิสูจน์อสอบองค์ชาตเข้าไปในบรรดามรุษามาามรในมัรุน ประมาเท่าเล็ดงานเป็นวัตถุแห่งปราชิ้นนะครับทีนี้นะเพราะว่างูบางอย่างเนี่ยอตรงงูนิมิตเหมันอันตัใหญ่ก็ได้ที่ไหมครับพอที่จะสอนเข้าไปได้นะเช่นงูเหลือมีตัวใหญ่ ใ, ใญี่ครับเคยมีอะไรหนังอะไรเมียงงูอะไรนะบางอย่างนะครับบางอย่างนะสามมาเสดได้นเนี่ยเป็นวัตถุแห่งปราชิ้นนะครับหรือว่าสวานหนักเห็นตวานเบาแล้วก็ป่านะ มาที่อาจจะเสกตรงทรวาทรทวารเบาไม่น่าแต่ป่ากมุมกว้างครับเนี่ยนะพอที่จะสอนนะครับคงกาเนิดเข้าไปได้นะครับอันนี้นะก็ท่าสนานี้ก็เป็นมัตถือปลาชิกที่เหลือก็คือที่ไม่สา ม, มารถจะสอนเข้าไปได้นะครับเพิงสราบว่าเป็นมัตถือทุกกฎอะไเป็นมูลดิ น, หนหอะไรแล้วแรกพวเนียนะอันี้ไม่สามารถมาสอนได้ก็ยังเป็นอาบัต น, นะเป็นมัตถือทุกกฎถ้าไปทําอย่างนี้เข้าไหครับ แล้วก็สัตว์ที่เกิดในน้ําอันนี้เอาพวกปลานะปลาที่นี้เนี่ยท่านก็ส่งเอาสานะัตว์น้ำทั้งหมดเลยนะครับแต่มโดยประเภทมีปลาเต่าและกบเป็นต้นแม้ทั้งหมดท่านสงเคราะห์ด้วยเอามาา่ฉาสัตว์สัมภาปลาะครับเอาหมดเลยสนะัตว์น้ำคือหมึกพวกนนะ้ําพวกนี้นะอในสัตว์ที่เกิดในน้ํา พึงทราบว่าเป็นวัตถุนปราชิกและวัตถุทุกกฎโดยในตังกาและในพิกาชานั่นเองก็เหมือนกันนะครับก็ปลาเต่ากบขนาดไหนที่มันสา ม, มารถสอดเข้าไปได้นั้นบ้างใดม้างหนึ่งแนมะ้ถ้าม่เล่นงานทำประมาณเท่าเล่น ง, งาน น, าาางงา น, นี่ก็เป็นวัตถุปราชิกถ้าไม่สามารถสอดได้อย่างง่ก็จะเป็นวัตถุทุกกฎแต่ว่าจะมีความความแปลกกันนะครับในเรื่องเกี่ยว ก, กับกบจะมีความพิเศษนะ ท่านบอกว่าขึ้นชื่อว่ากบเป็นสัตว์มีปากแข็งกบมีปากแข็งนะครับกบเหล่านั้นมีสันฐานปากกว้างนะครับสันฐานปากกว้างเรามองอีกขั้อกนึ่งไหมต่อไปนะครับต่อไปเอาข้อห้าเอาเมื่อกี้ไม่ใช่ว่าห้าเอาผมว่าจบตรงนี้นไปแล้วห้า น, นะครับของสิคามุที่มีสองสันฐานห้าโจนิวุฐาปน้สธธาสันฐาน สุขาบทที่ต้องอาบัดด้วยสมุทฐานที่ห้ากับที่หกอันนี้อยู่ในพิคุณีวิพัฒ์นะครับที่ห้าคือวาจาจิตที่หกกายวาจาจิตอยู่ในสังคารทิเสษข้อที่สองของพิสุนีนะครับข้อเกิกับว่าพิสุนีรู้ทั้งรู้อยู่นะให้หญิงโจรบวช น, นะครับให้ผู้หญิงที่เป็นโจร น, นะนีคดีมานาคให้บวชนครับแมีสมุทฐานสอง เนี่ยมันต้องมีจิตทั้งนั้นนะครับเพราะว่าวต้องมีใจวิธงรู้ว่าอย่างนี้ตรงนี้เป็นโจรนะถ้าเราไม่รู้ก็ไม่เป็นนะครับคือวาจากับจิตเนี่ยแค่วาจาจิตเป็นยังไงหมายว่าตัวเองเข้าไปอยู่ในโบว์อยู่แล้วนะครับอาจจะทําสัญกรรมอะไรบางอย่างในอยู่แล้วนะแล้วก็ให้เรียกตัวผู้หญิงคนนั้นให้เป็นโจเข้ามาเลยแล้วก็สว่วนยึดติดกับาวาจาอะไรให้เลยครับอันี้ชื่อว่าวาจากับจิตเพราะไม่ได้เดินไม่ได้ไปไหนใช่ไหมครับแต่ถ้ากายกับวาจาจิตเนี่ย กายก็คือพาเข้ามาในโบส น, นะครับ น, นหาบาหาจีว่าเอาประชาชนอะไรให้นะแล้วก็พาเดินเข้ามาในโบสแล้วก็สวดกรรมาวาจาให้อีกครับตอนนี้พาเดินเข้ามาด้วยกายใช่ไหมครับสวดวาจาให้แล้ก็ด้วยวาจาจีตก็รู้ทั้งรู้ว่าเป็นหญิงโรักไ็ได้กายวาจาจิตครบครับต่อไปสิกขาบทที่สามอ่อสิกขาบทที่มีสมามสมุทฐานมีสองประเภทคือหนึ่งภูตาโรจนะสมุทฐาน สิกขาบทที่ต้องอ่านบับบยึดสมุดฐานที่หนึ่งสองและที่สามหนึ่งกายสองวาจานที่สามกายกับวารจันสิกขาบทเพยนี้มีอยู่ข้อเดียวทำในปติโมกข์ น, นะข้อเดียวคือภูตาโรเจะ น, นะครับข้อที่ว่าบอกอุตตริที่มีอยู่จริงนะครับพวกนไม่มีไม่มีจิตประกอบเลยนะเพราะว่าไม่มีจิตประกอบทีนี้ท่านเอาไม่มีจิตนะครับคือไม่ เพราะความไม่รู้ภาพบรรญัตินะครับไม่มีจิตที่รู้ภาพบัญญัติ น, นะเพราะถ้าเป็นถึงขัง้นพาลเยบุคคลแล้วนะครับท่านรู้ท่านรู้ว่าผิดภาพมีใดอย่างนี้นะท่านจะไม่รู้ละเมด น, นะครับท่านสามารถยอมขนาดชีวิตได้นะครับพอรั้นที่ว่าไม่มีจิตเม่มจิตพ่อท่านรู้นจะไม่ทำมันเลยมีแต่ว่ากายวาจาแล้วก็ายกับวาจาอันนี้เป็นยังไงครับก็ในเรื่องเนี่ยท่านไม่รู้ว่า การบอกตริที่มีจริ ง, งนี้นะมันมีโทษนะคะรับเกิดว่ามีคนอุบัวนให้ท่านนะเรื่องผู้วิสุขผู้อยู่ฝังไหมนะว่าคู้ทานนะครับก็องุตริแข่งการให้กันใช่ไหมทีนี้ก็บอกว่าคนนี้นะ่ะเขาได้เป็นพระอนุญาตอย่างนี้อย่างนี้นะครับทีนมันไปตรงความจริงคนนี้โยเข้ามาที่ว่ากำลมาถาเอ้าวถาพาระเลียท่านนี้แหละแลนะถามว่าท่านเป็นอนุญาตในครั้งนี้จริงหรือท่านก็สังเคราะห์ว่าการบอกเนี่ยนไะม่มีโทษท่านก็รับว่า พยักหน้าเ ใ, ใช่ไหมครับก็คือกลายอย่างเดียวนะครับจริงๆก็บอกความจริงนะแต่ม่ได้มุ่งที่จะโ อ, อ้อวดเอาราบแต่ ก, การ่ะนี้นะครับความผิด น, นี้ของท่านมีมีน ะ, นะคะรับหรือวาจารก็บอกไปเลยใช่นี่นะครับนี่นะเออกายกับวารจารก็ทั้งกายทั้งวารจารก็สแสดงไปนะครับยอมเล่าตัวเองไปอย่างนี้นะเนี่ยนะครับแต่ไม่มีจิตเลยนะคะรับจิตเลยเพราะไม่รู้เพามมัญญนยากนะถ้ารู้ก็จะไม่ทํานะครับ เนี่ยมีอยู่ข้อเดียวยครับเกี่ยวกับพระอาริยก็ดีหรือคนที่ได้ฌานก็ดีนะก็คือเหมือนกันนะครับต่อไปนครับสองอธินาทาสมุทฐานอยู่สมุทฐานนี่มีหลายข้อย์นะที่ครับบที่ต้องอา่านแบบด้วยสมุทฐานที่สี่ห้าที่หกสี่กายกับจิตนะครับห้าวาจารกับจิตและที่หกกายวาจารจิตเห็นเช่น อ, อธินาทานในการรักษาใช่ไหม ก็มีจิตที่จะร่างอยู่แล้วนะครับทูกต้องเลยถ้ามีที่จะร่างเนี่ยก็ไม่เป็นขอน้อนี้แล้วก็เป็นร่างด้วยกายนะครับส่วนวาจาคือสั่งคนให้ไปร่างให้นะก็ได้วาจาจิตกายวาจาจิตก็คือทั้งสั่งอาจจะชวนนะครับชวนเนี่ยเป็นวาจาใช่ไหมครับแล้วก็ไปร่างด้วยกันนั่นก็เป็นกายมีจิตที่จะร่างนะครับก็เลยครบทั้งกายวาจาจิตวหาลายข้อนี้ก็มีเกิมาจากสมุทัยอย่างนี้นะ ต่อไปนลัสิกขาบทที่มีสมี่สมุทฐานมีสองประเภทหนึ่งอัธานะสมุทฐานสิกขาบทที่ต้องอบัติด้วยสมุทฐานที่หนึ่งสามสี่และที่หกก็คือกายกายวาจากายจิตกายวาจ า, า, าจิตที่เขียนให้ในชี้นะครับข้อนี้เกี่ยวกับอะไรเกี่กับการชักชวนผู้หญิงเดินทางไกลครับชักชวนมาสุขามเดินทางไกลแม้ชีลยาบ้านหงเป็นไปดี ทั้งชวนกองโจ น, นเมื่อกี้เราต้องรู้ทั้งรู้นะครับว่าคนนี้เป็นโจนถึงจะเป็นอาบัติแต่ในที่นี้ถึงไม่มีจีก็ต้องอาบัติได้เหมือนกันนะครับเรารู้ว่าที่เป็นกายอย่างเดียวเป็นยังไงคือเมื่อพูดถึงไม่ไม่รู้ว่าการทํานี้เป็นการชวนครับเขาจะว่าไม่ได้ชวนไปกันเกิดน้องหยินนี่เราไปด้วยกันนี่นะครับเราไปกันพรุ่งนี้อะไรนะนั่นแน่นันเวลาชวนไปนะครับแต่ถ้าเขาจะวไม่ได้เป็นการชวน นี่นะชวนด้วยการเนี่ยแล้วก็เดินทางร่วมกันไปด้วยกายนะครับที่ระยะเหมือนกับไปตีนี่นะส่วนการกับวาจากคือก็ชวนด้วยวาจาได้ใช่ไหมครับและก็เดินทางไปด้วยกายนแต่ว่าไม่ไม่รู้นะครับเขาจะไม่ได้เป็นการชวนนี่นะส่วนถ้ามีเจ้าคือรู้ทั้งรู้แหละว่าอย่างนี้เป็นการทั้งชวนนะแล้วก็ชวนไปนครับอาจจะชวนด้วยการแล้วก็ไปด้วยกายแหละหรือชวนด้วยวาจาไปด้วยการเดินไปร่วมกัน เนี่ยนะเราจะเรียกว่าอัานาสมุทฐานนะครับคำพวกนีน้ต่อไปสองอ น, นันตุยะตะสมุทฐานสิกขาบทที่ต้องอา่านต้องอ่านบัดด้วยสมุทฐานที่สองสามห้าและที่หกนะครับสองกวาราจารสามกายกวาราจารสี่วาจาจิตห้ากายวาจาจิตอันนี้อ น, นันะ ต, ะอนนนะตะ อ, น น, อนนุนยะตอนันตุญาตสมุทฐานนะครับ การบวชศึกษามานาที่มาดาบิดาและสามีไม่ได้อนุญาตครับตอนนี้ถ้าเรามาเรียนในเรียนวิญญาณนะถ้าเราท่องพิคุณีปาฏิโมงหน้านะครับหรืออนุทิศพิคุณีปาฏิโมงเนี่ยเราจะได้เตรียมนะความรู้ ม, มันกว้างขวางเพราะเรื่องโย ง, ยงแยงฉะนั้นตรงนี้ ม, มนันมันจะไม่บอกว่าอยู่ตรงไหนนะครับแล้วมันก็จะ ท, ทําคำพิบัติมาแล้วนั้นนะถ้าต้องการรู้วิญญาณแบบไม่เยะนะื่อน่ะจะต้องศึกษาพิคุณีด้วยนครับนะเพราะเกี่ยวรับ ข้อนี้มันเป็นยังไงนะครับาบอกว่าไม่มีจิตนะไม่รู้นะไม่รู้นะจะรู้รู้ว่าไม่รู้นะครับว่ามาดาบิดาเขาไม่ได้อนุญาตนะนะครับก็ต้องแบบทั้นั้นอันนี้ไม่ใชไม่ใช่ไม่ช่อันนี้เพราะไม่มีจิตเขาไม่รู้ข้ามันใหญ่นะครับนะเขาีไม่มีจิตนี้ไม่สมหมายเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาแม่อนุญาตนะครับก็คือเป็นสิทธามานาเนี่ย ที่เตรียมอยู่ไว้พิสูนีนะครับอันนี้ถ้าบอกว่าสําหรับพิสูนีเนี่ยจะแปลกกว่าของผ้านะของพ้าเนี่ยถ้ามาบวชเป็นเนเนี่ยของอนุ ญ, ญาตพ่อแม่พ่อแม่อนุ ญ, ญาตแล้วใชครับมาบวชเป็นเนรพอจะบวชเป็นผ้าเนี่ยก็มไม่ต้องเป็ของอนุ ญ, ญาตพ่อแม่สามปีนะบวชเป็นผ้าได้เลยนะครับแต่พิสูนี้ไม่ใช่อย่างนั้นต้องบวชเป็นสามวันเนรีนะก็ของอนุ ญ, ญาตพ่อแม่ตอนนี้เหมือนพิสูนีก็ต้องของอนุ ญ, ญาตตองนะครับนี่ถ้าจะยิ่งยากกว่านะครับต้องสองเป็นตองเลย อันนี้น ะ, ะที่มีวาจายเดียวก็คือก็ที่ว่าอยู่ในบทแล้วก็เรียกตัวเข้ามาสวดเยสติให้เลยสัาที่ น, นั่นเกราไม่ย่เราบสถ์เราีโบเนี่ยเป็นการออันนี้มันมันะนะอยู่ที่พรานะพรอยู่ที่พรที่เราจะต้อง อ, านนะอ่านบนะอ่นโบสแล้วก็ต้องอบนบตนะใช่ถ้าพ่อแม่พม่ได้อนุญานะแล้วก็ไปหัวเรต้องถามก่อนพ่อแม่อนุญาตหรือยัง ทีนี้ครัอันนี้แหละวาจานะครับไม่มีจิตคือไม่รู้ว่าเป็นอาบัตินะนะทีนี้สวด่ปเลยส่วนกายวาจานคือพาเข้ามาในโบสถ์ใช่ไหมแล้วก็สวดยติให้นะครับแต่ถ้าไม่รู้ว่าผิดวินัยนะแล้วก็สวดให้ส่วนมีจิตก็คือรู้ทั้งรู้นะครับว่าผิดวินัยนะเนี่ยแล้วคนนี้พ่อแม่เขาถึงสามีไม่ได้อนุาเลยแล้วก็ให้บุญไปเลยก็ได้วาจาจิตการวาจาจิต ต่อไปนะครับสินค้าบทที่มีหกสมุทรฐานมีหนึ่งประเภทประยด็นตัวนี้ไม่ได้มีข้อดีแนะมีข้อ้องกันนะครับนี่ท่ายกเป็นตัวอย่างเอาข้อแรกันมาตั้งชื่อหนึ่งสัญลักษณ์สมุทรฐานสัญลักษณ์เกี่ยวกับการชักสื่อนะครับถึงการชักสื่อนะถึงความผู้สัญจรสัญจรก็คือเที่ยวไปบอกข้อนะครับเที่ยชักสื่อผู้หญิงนะเป็นสายครณยาครับ อ่าสิกขาบทที่ต้องอามบัตด้วยสมุทฐานทั้งหมดนะครับอันนี้ได้ทุกข้อเลยเรื่อากต่ข้อหนึ่งถึงข้อหกนะทั้งที่ ม, มีจิตไม่มีจิตต้องอามบัตเท่างนั้นนะครับเป็นยังไงคือข้อนี้ความจริงจะต้องบัตสันนิเสถน ะ, ะไม่หมายเพราะว่าอยู่ดีๆถาาไปจัดการเองน ะ, ะไปบอกถึงคนนี้ผู้ชายคนนี้นะครับมาเป็นสายสะเรยายอยู่ร่วมกันะะแล้วก็เป็นสันนิเสถเลยะะไม่ใช่อย่างนี้นะครับมันต้องมีองค์นะตอนแรกก็คือ มีฝ่ายในฝ่ายเดิมมาบอกเรานะครับมับอกเรานะที่สู่รับคําก่อนนะครับแรกนะรับคําแล้วก็นําไปบอกอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็สามกลับมาบอกฝ่ายเดิม น, นะครับต้องครบองค์นี่นะครับทีายัเป็นอาดิเศสนะถ้ายังไม่ครบองยังไม่เป็นแค่รับปากเฉยแต่มันได้บอกต่อก็ยังไม่เป็นแต่จะมีอามาตถุกดกันนะแล้วก็ถึงใจพอสุดท้ายก็งานดิเศษก็ตามลำดับนะครับตันนี้ นี้ออนที่ไม่มีจิตก่อนถ้ามีจิตเนี่ยบอกว่าด้วยจิตที่ไม่รู้พระบัญญัติไม่มีจิตได้สองแบบ น, นะไม่รู้ว่าเขาอยากขาดกันแล้วนะครับใ น, นองค์กขาจะมีนะผู้หญิงกับผู้ชายนั้นไม่ได้เป็นสามีภรรยากันก่อนหรือเป็นแต่อยากขาดกันแล้วนะครับ evet. ในกรณีที่ถ้าไม่รู้ว่าสามภรรยาเนี่ยอยากขาดกันแล้วอันนี้ก็เช mm ื่อไม่มีจิตนะครับหรือไม่รู้พระบัญญัติก็เชื่อไม่มีจิต เอาการอย่างเดียวเป็นยังไงครับก็คือไม่มีสิไม่รู้ว่าเขาอยากขากันอะไรนะไม่ว่าเขาจะไม่อยากขากันเขาจะก็ปกกันเฉยเฉยใช่ไหมครับมีแฟนหญิงมีชายก็ได้แต่มาบอกเราเราอยู่ที่กุฏินะอา้าพระคุณเจา้าช่วยมาบอกอา้าแฟนโยมหน่อยนะให้กลับมาอยู่กับโยมด้วยนะเราะท่องรอบกับโยมแล้วก็โอทิ้งไเปเลยนี่นะท่าก็พยักหน้าครับพยักหน้านะแอย่างนี้อีกทีหนึ่ง ก็ฝ่ายชายมาแล้วมามาเอ้าวคุณเจ้าพี้คนนั้นเขามาพูดอะไรบ้างเขามาบอกอย่างนี้ใช่ไหมเขา บ, บอกว่าต้องการให้โยมี่กลับไปอยู่ด้วยใช่ไหมอ๋ออย่างนั้นเหรอเขาบอกอ้าวน้าจะได้นะได้ไดไดสงสารเขาเหมือนกันท้าก็รับฟางนะครับพย า, ายงหน้านะแล้วพอดีฝ่ายหญิงเข้ามาอีกนะครับเขาบอกผู้ชายคนนี้ก็ตกลงจะมาทำาห้ดูกับโยมในะช่ไหมคุณเจ้าพยายามหน้ารับนั่นนะครับก็อยู่ที่แหละนะพยางามหน้าอย่างเนดะียว อันนี้ก็ต้องทำบัตรแล้วครับต่ออครับไม่แนไปไหนก็ไม่ใช่ออกกับการนะคนเดินไปก็ได้นะเพราะว่าการเดินยี่ปที่ก็ได้ถ้าวาจาก็อยู่เปบที่อย่าะไรที่ว่าเพียงแต่ว่ามีคนเข้ามาบอกแล้วก็บอกเข้าไปทางวาจาครับก็ได้ช่วยจัดการให้แล้วพอผู้ชายมาก็บอกให้ผู้ชายรู้แล้วผู้หญิงมาก็บอกหผหญิงรู้บิงทีนี่นวาจาทั้งการและวาจาเขาทำทั้งสองอย่างเลย ก็รับคาเดินไปบอกกับมาบอกนะแต่ไม่ร <wh ats Napoleon. S 1> ู้นะไม่รู้ว่าเขาอยากทานกันแนะครับส่วนถ้ามีเจิคืรู้ท่างรู้นะครับมิจิรู้ท่องรู้ว่าว่าเขาอยากทานกันแน่รู้ท่องรู้ว่าเป็นอาบัตนะครับแต่ก็ยังมีการในท่างสื่อนี้นั้นอยู่ครับก็เป็นแบบนั้นก็อย่างที่ท่านยกมานะถ้าพละรหันนยมพ่กับยมแม่แยกทางกันใช่ไหมทีนี้ยมพ่หรือยมแม่ ยอมพ่อใช่ไมครัอายุมากแล้วลำบากนะต้องการให้ยอมแม่่ะกลับมาอยู่ด้วยเหมือนเดิม น, นะครับเพื่อได้หนุนปัญหาลับชายอย่านี่ยนะเพรอะผู้ชายแก่แล้วนะครับก็มาบอกข้าผู้ชายข้าหท่านก็ไม่ไม่รู้นะหรือว่าจะไม่รู้ข้อบัญญัตินะครับท่านก็ไปบอกให้ยอมแม่เนี่ยกลับมาอยู่กัพยอมพ่อทีนี้ก็ท่านก็ว่าต้องอาบากถึงไม่รู้ข้อบัญญัตินะหรือไม่รู้ว่าเขาอยากขาดกันแล้วนะครับถ้าเปชาชน็นชัางศิลก็ต้องอาบา แต่เราเป็นคนตัดสินเองอยู่ที่วันใสอะไรไม่มารอกนี่เไม่เป็นยัไงกันเาไม่ครอบปมก็ังขมถ้าเกิดเขามาปรึกษาเราเนี่ยเกีเรือ่องต่างขอผู้หญีกเนี่ยถ้าเาขาปรึกษานะ่จนจะแน่นอนวิธีให้ถ้าปรึกษาเรื่องปัญหาครอบครัวนะถึงที่เราถึงเป็นเจ้าว่านะนะผมจะบอกเลยไม่รับปรึกษาปัญหาครอบครัวมันวุ่นหวายครับถ้าย้อนกลุ่มมาเข้ามาบัวเสีย น, น, นี่นะ่แหละชื่อคาราวานแต่นี่น่ะโยมันเหมือนกับอะไรคนที่เดินถือคบเพลิงนะครับถือคบเพลิงแล้วก็เดินทวนลมไปนะเออถือคบเพลิงที่ร้อนๆใช่ไหมไปลูกช่วงช่วงนะครับแล้วก็เดินทวนลมมันจะเป็นยังไงไฟมันก็จะมาลวกหน้าตัวเองใช่ไหมแล้วก็ตะโ ก, กนร้อนร้นอนเชื่อมด้วยใช่ <c oughs> ไหมคนนีอยู่นี่ร้อนทิ้งนี่ทิ้งมันไปที ไม่อยอมทิ้งเลยครับแล้วก็เดินถึงแทงปตาตกลงนั้นแหละมันจะไปเพราะเห็พวกนี้ตัวยังถืออยู่เนี่ยแล้ ว, ลวยังไปร้องได้ <c oughs> <c oughs> ถ้าพูดอะไรนะครับตัวยังติดในกลางมีอะไรใช่ไหมอย่างา น, นาางี้เราทม่ได้ไคิดมากเมือ่อถาวางใจไม่ได้นั้นรักศิกษาปัญาาหาครอบครัวนะเขี่ยนะครับมันเคยมีเจ้าวาดท่าหนึ่งเนี่ยบานนั้นก็มาปรึกษามานี่ก็มาปรึกษาอุย้ยโยมนี่เข้ามาฟ้องปรึกษามาระบายใช่ไหมร้องห่วงเขา พลานีใเขีดตายนะอ่าต่อไปนะครับอันนี้ก็จบนักเกียรสมุทฐาน่ะตรงนี้ความจริงน่ะมันจรมันมดูแค่รอบสองรอบไม่จำนะต้องมีอหลายรอบนะครับในบางที่เลยนะเวลาตอนแรกท่านจะบอกไว้ว่ามันเกิดทางกายกับจิตว่าจ้างจิตกายว่าจ้างจิตนี้ครับพอจริจรจรจร่ตอปบปรชิกรมหลังๆนะท่านจะไม่บอกนะถ้าบอกเป็นอธินาทานสมุทรานข้อนี้น่ะ เป็นอาทาาสมทาเราก็ต้องรู้แล้วนะครับว่าสมุทรช้างเป็นยังไงหรือเป็นเอว่ากะโรมาสมุทรช้างเราก็ต้องรู้แล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้สาคัญนะครับอ่ตรงกูตาโดะที่บอกว่าตาอย่างเดยวเนี้ยทมันทายังงอ๋อครับคือเข้ามาถามท่านว่า ท่านเป็นพระโสดาบันใช่ไหมท่านเป็นพระพญาณนะครับต่อไปนะครับอันนี้โอ้ต่อไปนก็สบายแนละ้วสิบเอ็ดนะครับกิริยานานตตะความต่างกันแห่งกิริยาในสิข่ขาบทมีทั้งหมดห้าอยาหนึ่งสิข่ขาบทที่ต้องเอาบัตเพราะกระทำนะครับกิริยาความต่างการแห่งกิริยาใช่ไหมบางข้อก็ต้องเ้อาะทำบางอย่างก็ต้องเพราไม่ทํานะครับอืมกันมนะ หนึ่งสิกขาบทที่ต้องอนบัติเพราะกระทําเรียกว่ากิริยาเช่นสุราปานสิกขาบทต้องพ้อดึงสุรานะครับแล้วไม่ดึงเที่ยก็ไม่ต้องใช่ไหมอันนี้เป็นดึงก็เลยต้องส่วนใหญ่เยอะนะครัต้องเพรกระกทรําเยอะแยะเลยฆ่าสัตว์ใช่ไหมฆ่าเส้าเนี่ยต้องกระทานั่นนะครับเดสองสิกขาบทที่ต้องอาบัติเพราะไม่กระทําเป็นในกิริยานะครับถ้าทําเที่ยวก็ไม่เป็นแต่นี้นั้นไม่ทำํำนะครับ เช่อะไรกัทิ้นสมุทฐานนะครับเกี่ยวกันในเด็กที่ว่าไม่เกินสิบวันอันนี้ต้องอาบัติเพราะว่าไม่ทํากาติฐานหรือวิกัรถะถ้าเราทอวิกัาถะหรือวิกัตถะเสียธรรมนี่มันก็ไม่ต้องอาบัติอันนี้พ่อไม่ทําถึงต้องอาบัตินะครับข้ออื่นก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่เขาจะเรียกว่าอากิริยาที่ต้องพ่อไม่ทำสามสิกขาบทสิกขาบทที่ต้องอาบาัติ เพราะกระทํา ก, การละเมิดและพราะไม่กระทําตามที่ทรงอนุญาตานะครับโอ้เนี่ยทั้งทําและไม่ทนะํานะท่านจะเรียกว่ากิริยากิริยาครับเอากิริยากับอกิริยาบนรวมกันนะเช่นจีวรปฏิฆหน้านะสิกขาบทสิกขาบทที่ว่าด้วยการรับจีวรจากมือพิสุนีที่ไม่ใช่ญาตินะครับต้องอาบัติเพราะว่าทําการรับจีวรจากมือพิษุนีที่ไม่ใช่ญาตินะ และเพราะไม่ยอมทําการแลกเปลี่ยนนะครับเ น, นี่ยถ้าสมมติเราแลกเปลี่ยนเสี้ยนก็ไม่ต้องอาบัตนะครับอันนี้ไม่แลกเปลี่ยนเะล่มามัาเฉยๆนะเล่ามาครับก็เลยว่าต้องพ่อทําการเล่ามาแล้วก็ไม่ทําการแลกเปลี่ยนนะครับสี่สิขาบทที่บางชราวต้องพ่อกระทําบางคราวต้องพ่อไม่กระทําไม่แน่นะเป็นคำอีกคำเช่นรูปียสิขาบทนะครับ บางครางต้องพอกระทําทคือกระทําการรับเงินเองหรือใช้ข้อรับไว้เพื่อตนใช่ไหครับถ้าไม่รับที่ก็ต้องไม่ต้องเ อ, อาบอตอย่างนี้ถ้าไปรับเนะียไปรับหรือว่าใช้ให้คนวัดให้ในในรับให้อย่างนั้นต้องกรทําทแต่บางคราวต้องพราไม่กระทําก็คือไม่กระทําการห้ามเงินที่ต้องเก็บไว้เพื่อตนนะครับอาวมกุณเจ้าโยมจะอะไรนะโยมจะเก็บตามแล้วคุณคุณจ้านอกฝากธนาคารไว้ห้าล้าน ท่าน <ś led> ไม่ห้ามนะครับท่ายินดีเลยน <ś led> ี่สารยินดีเลยอย่างงี้ครับก็ชื่อว่าต้องเพราะกระทำไม่กระทําการห้ามที่ก็เก็บเงินไม่ให้นะถ้ายินดีด้วยอย่ครับห้าสิขาบทที่บางครางต้องเพราะกระทําบางครางต้องเพราะทําและไม่ทําเช่นกุติการรักสิขาบทในสังฆาริเศษนะข้อที่สร้างกุติใหญ่เกินประมาณนะไม่สงแสดงที่ให้ นะแล้วก็ใหญ่เกินประมาณบางคราวต้องเพาะทำคือทํากุฏิให้เกินประมาณนะครับประมาณกุฏินะั้นถะึงนะด้านยาวสิบสองคืบพุทธคตใช่ไหมครับด้านกว้างเจ็ดคืบใช่ไหมวันไหนร่วมไหนนะครั บ, นะรบอันนี้นะต้องเพาะทำคือทําให้เกินประมาณกว่านั้นนะครับบางคราวต้องเพาะทำและไม่ทําก็คือทําเกินประมาณด้วย และไม่ทําการให้สองแสดงที่ให้ด้วยเพราะว่าในสิกขาบทนั้นน่ะมันต้องบัตรสารดีเสรได้สองตัวนะก็คือตัวที่ทำเกินประมาณตัวหนึ่งและข้อที่ไม่สองแสดงที่ให้ดุลนะครับเนี่ยคนนี้ก็เลยทําัสองอย่างเลยนะไม่สองแสดงที่ให้ด้วยและก็ทำเกินประมาณด้วยก็เลยตั้งเอาแบบว่าทำํทำทํากินประมาณและไม่ทําหรือไม่ให้สองแสดงที่ให้แต่ว่าบางคนเขาผิดชอบแคกแ่กรณีเดียวไง ผิดแค่ว่าทําเกินประมาณาเฉยใครส่งแสดงที่ไหนแล้วนะครับแต่เวลาสร้างจริงกับทําเกินประมาณนะก็จะโดนข้อเดียวข้อว่าข้อทํำนะครับ ข, ข้อการนะครับอย่างนี้เรียกว่าวัตถุเดียวหรือว่าอะไรถ้ราเกิดว่าสองตัวในสิ่งข่าวคนเดียวครับต้องหลายวัตถุนะเยอี่ก่อนนะข้อเดียวกันเออต้องต้องหลายวัตถุนะคนละเรื่องนะคนละเรื่อง น, นะครับ เนื้อทำเกินกับว่าไม่ส่งแสดงที่ให้ดูครับต่อไปนะครับอาสุบสองสัญญานานตะความต่างกันแข่งอาบัตโ ด, ดยสัญญาครับในสุขาบ ท, ทั้งหมดมีสองย่างสัญญ า, ญญ า, าดูในวงเล็บ ก, ก่อนนะครับว่าสัญญานะควาว่าสัญญาในที่นี้มุ่งหมายเอาการรับรู้วัตถุที่ทำการก้าวลูกนะครับ รับรู้นะกากล้าลวงนั้นอะไรนะครับเสร็จมีผลนี่ก็รับรู้รู้ตัวนี่น ะ, นะครับอ่หนึ่งสัญญาวิโมกตกสัญญาณนะสัญญาวิโมกนะครับแปลว่าพ้นได้เพราะไม่รู้พ้นจะอาบัตได้เพราะไม่มีสัญญานะครับสัญญาวิโมกควาจริงวิโมกหมายถึงว่าพ้นใช่ไหมครับสัญญาคือรู้ความหมายรู้อย่างนี้นะ ค, ความจริงมันมีคาว่าอภาระนะครับซ่อนอย่ตรงระหว่างสัญญากับวิโมกมีคำว่าอภาระ ซึ่งเป็นสัมมิทุกลบทิ้งไปเพราเวลาแปลจริงจะแปลว่าพ้นได้อภามะเพราะความไม่มีสัญญาถึงสัญญานะครับเพราะฉะนั้นถ้าแปลง่ายคือแปลว่าพ้นได้เพราะไม่รู้นะครับหมายความว่าถ้าเราไม่มีการรับรู้นะตรงนั้นนะครับก็จะไม่ต้องอาบาัติเช่นอะไรครับ่อาจารย์เขายกตัวอย่างนะเช่นปฐมปราทิสิกขาบทเราไม่มีการรับรู้หลับไม่รู้เรื่องเลยมีคนมาแอบรับหลับเรานี่นะครับ ก็ไม่ต้องหาบัตไปข้าอย่างนี้จะได้ว่าสัญญาไมิโมกครับพ้นได้เพราะไม่รู้อย่างนี้นะแล้วก็สองนะครโนสัญญาไม่โมกถึงไม่รู้ก็ไม่พ้นนะอันนี้อาจารย์ผันอธิบายไว้สอนสอรพิมีนะครับท่านแปลใง่ายง่ายนี่แหละนะครับถึงไม่รู้ก็ไม่พ้นนี่นะอ่าถ้าแปลทางสัมคือต้องสัญญาหลังเพราะว่าสัญญามันจะมีโคำวา่าอภาระบ้างเหมือนเดิมนะครับไม่โมกหาะพ้นนะครับ อาภาวะเพราะความไม่มีสัญญาแห่งสัญญาโนหามิได้ก็เลยบอกว่าถึงไม่รู้ก็ไม่พ้นนะครับพวาปฏิเสธสองชั้นนะไม่พ้นจะอาบัตถึงแม้จะไม่มีสัญญาถึงแม่ไม่รู้ก็โดนนะครับใช่นวิกาโพชนะสิกขาบทถึงจะไม่รู้ว่าเลยเที่ยงไปแล้วฉันก็ต้องอาบัตถใช่ไหมนะครับถ้าฉันเลยเที่ยงจะรู้หรือไม่รู้นะว่าเป็นการสันอาหารเลยเที่ยงถ้าเลยก็ต้อง นี่เว่าโน้มสัญญาไม่โมครับอย่างนี้สัญญาไม่ม้ยาพอคำยต้วอยางอางหนึงนะครับอกอกยาแก้สมบัตครับเขาเขามรู้ว่านี่เป็นยาหรือเปล่า ยาพิโอกอจครับตอเนี้ถ้าเป็นที่เป็นเอกกว่าไปบอกยากับคนที่ไม่ใช่ญาติใช่ไหมครับมันจะมีข้อนะั้นไม่ได้อยู่ในสหวิทยาคณิตคำหรือตรงใช่ไหมครับแต่อยู่ในทุกกฎเกี่ยวกับการบอกยากคนที่ไม่ใช่ญาตินะครับ <c oughs> ถ้าพ่อแม่ต้องเหมือนการทํายา้บอกยาก็เหมือนกันนะครับถ้าพ่อแม่นี่บอกได้ให้ได้ทําให้ได้เลยใช่ไหมครับถ้าเป็นญาติกันเนี่ยเราบอกสูตรได้นะครับ ให้ยืมได้แต่เราจะเอาอยาของเรานี่ให้เขาไปเลยไม่ได้นะเราบอกถึงบอกอะไรนดะ้เลยเขาแต่ให้เลยไม่ได้แล้วถ้าเราให้ปุ๊บเราก็ต้องทําใจว่าให้ยืมนะครับข้าดึคืนหรือไม่คืนก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่นะทีนี้ถ้าคนไม่ใช่ยานะครับมันใช่ยาเลยถึงแม้จะเป็นปรมาอุปทาอย่างดีนะครับร่างลราเหมือนลูกเหมือนหลาอะไรนะอันนี้เราก็จะไปบอกอยาหรือทอํายาให้เขาไม่ได้เลนะครับจะมีอาบัตุกอบนะคับตรงนั้น แต่ทีนี้น่ะถ้าเราแต่ว่ามันต้องมีเจตนานะเจตนาที่ตั้งใจเป็นบอกยานะครับเป่ครับต้องมีเจตนาคนนั้วไม่รู้พะบัญญัติไม่รู้พะบัญญัติใช่ไ้มครับครับคิดว่าไม่รู้พะยมแยบก็โดนครับโดนครับอันนี้ข้าจะมาโดนแล้วจะมาโดนเหมือนกันครับเพราะว่าที่ไม่รู้พนบัญญัติน่ะเป็นจะมีไม่กี่ข้อนะที่พูดอยูครับมีไม่กี่ข้อเอง ส่วนใหญไม่รู้ก็คือไม่รู้ว่าคุณทิดวงละเมอด น, นะครับเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องกุรัตูสการนะประจบความมิจฉามนมีให้ยาให้อะไรใช่ไหมครับแต่ถ้ากุรัตูเขาจะให้แบบมันโดนจังๆะไรนะมันต้องมีใจที่จะประจบจะอะไรเข้าด้วยอย่าง น, ะะนี้นะครับนี่นะแต่ถึงไม่มีก็ก็ไม่ควรนะครับแต่ว่าคนที่ท่านอนุญานะครับตรงๆเป็นนะไม่รู้บังอย่าแล้วก็ไม่รู้ก็ไปครับ คริรงอันนู่นข้อกไม่ได้นะแตนะ่ในกิการที่านจะพูดถึงพูดถึงอนะไรจำไม่ค่อยได้นะ <c oughs> มันจะมีคือไม่ได้มุ่งประโยชน์เลยนะะไม่ค่อยแน่ใจนะจด้ว่าถ้ามุ่งถึงประโยชน์แก่พระสงฆ์กับพระศาสนาในภายข้าหน้าอานี่นะมันก็บอกได้ครับต้องกลไปดูจำหน้านะครับในกิการครับไม่ได้หวังปรยเพื่อตนเลยนะแต่รู้คนเนี่ยเขาแบบ มีที่พลมีอะไรหลายอย่างนะนี่นะครับถ้าเราบอกเขา้านด้วยไม่ไมุ่วนแก่ตนเลยแต่มุ่งหวังถ้าเขาเรื่องศาสนาแล้วนะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับศาสนานะครับมือถามพร้อมในศาสนาเจริญได้เนี่นะเมื่บอกยาคือที่เรื่องของเรื่องน่ะยกอนมาถาว่าพ่อแม่อะไรเขาป่วยใช่ไหมเนี่ยมันจะรักษายังไงมีสูตรยายังไงนะครับแล้วพระก็บอกเข้าไปนะครับต่อไปนะครับ เราจะเปเจอราเอี่ยนที่ในเรื่องไหนนะคือในอยู่ในปราชิกนะครับจะเจอในปราชิกแหละน ะ, ะท่านเจติบาลเลยเดี๋ยวเจออะไรอันนี้เข้าข้างกัแล้วกันนะฮะไม่เคยแม่นมนกันต่อไปนะครับสิบสาจิตตนานตัตตาความต่างกันแห่งจิตนี่คืออะไรอันนอหมวดสองทีอ่านครับหมวดสอบหมวดสองหมวดแห่งสัญญานี้มุ่งหมายเอาการพ้นสาระบัตรว่าพ้นหรือไม่พ้นนะครับเพราะจะง่ายๆข้อสิบสาม ไปข้อสุสามมันจะมุ่งถึงการต้องหรือไม่ต้องพูดถึงจิตเหมือนกันนะนะครับสุสามจิตตะนาตนตะความต่างกันแห่งจิตในสิกขาบททั้งหมดมีสองอย่างนะครับก็คือหนึ่งสจิตตะกานะครับสิกขาบทที่ต้องในสมุทฐานที่มีจิตผสมอยู่ด้วยนะครับมันต้องมีจิตเท่านั้นนะถึงจะต้องอางวัตนะครับสิกขาบทหลังนี้จะเรียกว่าสจิตตะกา คือสมุทฐานที่สี่ห้าหกใช่ไหมการจิตวาจาถึงการวาจาจิตข้อไหนเนี่ยที่จะต้องมีจิตนะครับรับรู้นะคําว่ามีจิตนะคะับเขียนให้นะเช่นมีจิตคิจชนะมีจิตคิดจะเสดมีจิตยินดีเป็นต้นหรือว่ามีจิตรู้วัตถุที่ตนกําลังลุกละเมิดก็ได้นะครับมีชืว่ามีจิตนะครับอย่างเช่นปฐมปราทิศขาบทเนี่ยต้องในสมุทฐานที่สี่คือการกับจิตใช่ไหม มันมีจิตที่จะใสหรือว่าจิตยินดีๆตรงนั้นน ะ, นะครับแล้วก็มีการเสตรงนี้นะถึงจะต้องอาบัตใช่ไหมครับข้อไหนก็แล้วแต่ที่ต้องมีจิตนะครับหรือบางทีเขาก็ใช้คำว่ามีจิตนานะจิตนาจงใจหรือว่าร่ำรู้ถึงจะต้องนะครับถ้าไม่มีจิตนาไม่จงใจไม่ร่ำรู้ ก, กไม่ต้องตรงนี้เรียกว่าสจิตตกันะครับสองอจิตตกันะครับสิกขาบทที่ต้องด้ยสมุทานที่ไม่มีจิตคือสมุทานที่หนึ่งสองสาม กายวาจาการวาจาก็ได้นะครับไม่มีจิตเลยก็ต้องหน้าที่มีจิตผสมอยู่ด้วยคือสมุทฐานที่สี่ห้าหกนะครับกายจิตวาจาการวาจาจิตก็ต้องได้นะครับเนี่ยนะมาว่าจะรู้หรือไม่รู้ต้องอัตรมนั้นจะมีจิตหรือไม่มีจิตต้องอธรรมนั้นสิกขาบุรณนี่เรียกว่าอจิตตการนะครับถ้าจะิตตการต้องจดจงแล้วว่าต้องมีจิตต้องรู้ใช่ไหมครับ แต่ถ้ า, าจิตกะเนี่ยจะรู้รู้ไม่รู้ต้องนั้นนะครับเช่นสัมจริตตาสิกขาบทนะต้องเล่าสมุทาทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอจิตกะไปสาถานี้นะนะหมวดสองนี้ น, นะครับเอาหมวดสองแห่งจิตนี้มุ่งหมายเอาการต้องอาบ น, นะครับอย่านี้ น, นะผมยกตัวอย่างอะไรไม่มีจิตหรือไม่รู้ว่าถูกและตั้าบาัรยัตินะครับอย่างเช่นอะไร การนอนร่วมที่มุงบางอันเดียวกันกันกบมาตุคาข้อนี้เป็นการแล้วก็การจิตนะพอที่ตกดินนั่นนะครับเราไปนอนร่วมกับมาตุคาเราจะนอนก่อนนี่นะแล้วก็ผู้หญิงเข้ามาดี่หลังแล้วก็ไม่รู้นะครับแกเข้ามาดี่หลังแล้วแกก็มานอนแล้วก็โดนเขาน ะ, ะนะอันนี้มีการอย่างเดียวใช่ไหมครับหรือว่าเราต้องรู้ว่าตรงนี้เนีใ น, ในชร์คารเนี่ยนะในห้อง น, นี้นะครับมีผู้หญิงนอนอยู่ด้วยแล้วก็ตั้งใจที่จะนอนร่วมะะพอที่ตกดินแล้ว อันนี้กากับจิตนะก็เป็นอย่างเงี้ที่เรียกว่อาอจิตตะกะนะครับนีจิตหีืมันมีจิตโดดทั้งนั้นนะต่อนนตไปนะครับสิบสี่วัชชะประเภทแห่งทอดในศิกปาหมดทั้งหมดมีสองยา่างหนึ่งโลกกับวัชชะนะครับอดูในวงเล็บมงเล็บใหก่อ น, นครับทอดทางโลกอันนี้แปลไปก่อนนะ พราะอกุศลเป็นโทษตามปกติของโลกแล้นะครับหมายความว่าสิกขาบทที่ในขณะทําการร่วงนะครับทำการก้าร่วงถ้ารู้วัตถุที่ทําการร่วงละเมิดจิตจะเป็นอกุศลอย่างนี้ถ้าไม่รู้วัตถุที่ทําการร่วงละเมิดจิตจะเป็นอกุศลหรืออกุศลก็ได้นะครับเช่นสุราปาณะสิกขาบทถ้ารู้วัตถุจิตจะเป็นอกุศลแน่นอนอย่างนี้เรว่าโลกกับวัชชะนะครับ อย่างนการดื่มสุลานะเรารู้ไม่รู้นะครับถ้านดื่มสุราเล่าเข้าปากคือเข้าลําพอนะก็เป็นไปอยู่ตีทั้งนั้นนะครับแต่ว่าการดื่มสุราถ้าเรารับรู้อยู่ในรู้ทั้งรู้นะว่ามีเหล้าแล้วก็ดื่มเข้าไปจากนั้นต้องเป็นอกุศลอย่างเดียวใช่ไหมครับเนี่ยนะแต่ถ้าไม่รู้นะใจจะไม่เป็นอกุศลก็ได้นะครับแต่ถ้ารู้จะเป็นอกุศลอย่างเดียวอย่างนี้นะสิขาคนอย่างนี้เรียกว่าโลกรัชชะอย่างปราลายชิ้ทั้งสี่เลย เป็นลง ก, กับวัชชาแน่นอนนะครับหรือสังหาริเสข้อแรกเนี่ยนะก็ลง ก, กับวัชชานะใจเป็นกุศลอย่างเดียวนะร่ารู้การทำอะไรตอนนั้นนะครับเนี่ยเป็นอย่างนี้สองปนติวัชชาโทษทำท่าบัญญัตินะครับสิขาบทที่ในขณะทําการก้าวล่วงถึงจะรู้วัตถุที่ทําการล่วงละเมิดจิตอาจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ได้นะครับน่าศึกษานะครับ ในกรณีที่ไม่รู้ว่าถูกที่ทำการล้มลเมดก็เหมือนกั น, นครับอันนี้ไม่ได้จอบจงนะั้นถึงคุณจะรู้หรือไม่รู้นะครับว่ากําลังทําสิ่งนั้นอยู่นะใจถ้าไม่ได้จอบจองว่าใจต้องเป็นอกุศลอย่างเดียวอาจจะเป็นกุศลอัพยากตายได้เลยครับเนี่ยนะอย่างนี้เ้าเราียกว่าปฏิบิธรรมเช่นกัะถึงสุดขาบทนะครับแกบดีแดงกีวาไม่เกินสิบวันนะถึงจะรู้วัตถุกก็ไม่มีการเจาะจอจงว่า จิตต้องเป็นอกุศลอย่างเดียวยนะครับในหัวข้อนี้มุ่งหมายเอาการรู้วัตถุที่ทําการก้าวล่วงไม่ได้มุ่งหมายเอาการรู้ภาพบัญญัตินะครับเพราะถ้ารู้ภาพบัญญัติแล้วทําการฝ่าฟืนจิตจะเป็นอกุศลอย่างแน่นอน <Evet. S 1> อันนี้เอาไม่เอาไม่รู้วัตถุนะอย่างเช่นเก็บดิเดตจีวอรเก็บดิเดตจีวอร์ไม่เกินสิบวันใช่ไหมเพราเรายังไม่รู้ภาพบัญญัติเลยถามว่าแค่เราเก็บภาพม่เกินสิบวันเนี่ยมันยังเป็นต้องเป็นอกุศลอย่างเดียวไหม ก็ไม่จำเป็นใช่ไหมครับเราเกี่ยว่าเกิดสิ่งมไม่อยากอธิฐานเนี่ยมันเป็นบาปข้อไหน <c oughs> ใช่ไหมครับไม่เป็นเนี่ยลักษณะเนี่ยนะเขาเรียกว่าเปนติวิชาครับถึงแม้ว่าจงใจแต่ก็ไม่ต้อจอดจงว่าจะต้องเป็นอกุศลอย่างเดียวสุศลก็ได้อกุศลก็ได้พยาบาทก็ได้นี่ครับแต่ว่าถ้ามีการรู้ว่าภาพบัญญัตินั้นนะแล้วก็จงใจนั้นเหมือนใจเป็นอกุศลอย่างเดียวครับสิ่งห้ากรรมมะปฏเทหะ ประเภทแห่งกรรมในสิกขาบทมีทั้งหมดสามอย่างหนึ่งวัจีกรรมสิกขาบทที่เป็นวัจจิกรรมอย่างเดียวเช่นปทัทโตธรรมสิกขาบทนะครับสอนให้นิพพานบังรารบทำโดยบทที่ว่าไปแล้วนิทานวาจาอย่างเดียวนะทางกายทำไม่ท า, ม, า, ทามือไม่เป็นนะครับต้องทานวาจาร์เดียวพอต้องมีกา ร, รว่าพร้อมกันด้วยสามกายกรรมสิกขาบทที่เป็นกายกรรมอย่างเดียวเช่นปฐมปราทิสิกขาบท เศรษฐีถุนนะครับทางวาจาสั่งไปนะครับคนไปทำแล้วโดนะครับเนี่ยเขาเรียกเรียกว่ากายกรรมเนะพราะว่าทางการอย่เดียวสามกายกรรมวจีกรรมสิขาบทที่เป็นกายกรรมก็ได้หรือเป็นวจีกรรมก็ได้เช่นอัตินาธาสิขาบทขอลักทรัพย์ใช่ไหมขโมยด้วตนเองก็ไปใช่ไหมครับใช้หุ่นขโมยก็ไปนะนี่เป็นเนะรือ่องกายกรรมวจีกรรม กายกรรมวัจจกรรมในสิกขาบทเนี่ยนนจะต่างกับในกรมบมบทนะครับที่เป็นกายทุจริตวัจจิทุจริตมโนทุจิตใช่ไหมในกรมบรมบทน่ะท่านความเป็นไปโดยมากนะครับกรรมบรมบทกายทุจริตมีสี่ใช่ไหมครับข้าศัตร์ข้าศัตร์รักทรัพย์เศษเมหุนิสกามสิทการสามใช่ไครับวัจจิศิการสามนะข่าศัตร์ รักทรัพยริดในกรรนะครับถามว่าฆ่าสักการะทรัพย์เนี่ยเราทำด้วยกายได้ั้มได้ใช่ไหมครับแล้วสั่งคนอื่นไปฆ่าสักก์ระทรัพย์ได้ไหมได้ไดไดใช่ไหมครับแต่ากายกรรมทั้งสามอย่างเนี่ยทึ่เรียกว่ากายกรอกกายทจริตนะครับอภิศลกายทุจริตนะเนะพราะอะไรเพราะส่วนมากมันเป็นไปทางกายนะครับฆ่าสักก็ดีรักทรัพย์ก็ดีนะส่วนมากมันไปทางกายท่าเนเคยูเรียก ว, ว่ากาย จะกรรมไปที่นะครับการเขจะหลุด น, นะแต่ในในใ น, ใ น, ในสิกษาในาพระมีนายนี้ไม่ใช่นะครับเอาความเป็นไปได้จริงว่าเป็นไปได้ทางไหนบ้างนะถ้าแม้ทั้งการทั้งวาจาเ ก, ก็จะเรียกว่าเป็นทั้งกายกรรมและเมจีกรรมนะครับไม่อความไปดูมากนี่างนั้นนะต่อไปนะครับสิบหกกุสลติกากิธีวิธีจำแนกสิกษาบทโ ด, ดยหมวดสามแห่งกุศลมีสามอย่างถ้าก็จะเป็นเออนะี หนึ่งเอกลางจิตตาสิกขาบทที่เป็นอกุศลจิตอย่างเดียวนะครับจิตมีสามใช่ไหมอนุสสรอนุสสารอภัยกตตาไอที่มีจิตอย่างเดียวคือเป็นอกุศสรจิตเช่นปราทิตทั้งสี่ข้อเลยนะครับอนุศสรแน่นอนสองเทเวจิตตานิสิกขาบทที่เป็นกุศสรจิตและอภัยกตตาจิตนะครับอย่างเช่นบอกอุตริที่มีจริงนะนะครับอุตริที่มีจริงก็คือผ้าลนี้ภาลิยะ ขั forward, ้นต่ำหรือว่าผ้าละหันนะครับถ้าผ้าที่ธรรมดาเนี่ยถ้าก็เกิดกุศลกิตได้อา้ารย์ก็บอกไปนี่นะถ้าเป็นผ้าละหันก็เป็นพยการต่จิตนะครับก็บอกไปถ้าจิตสองก็เป็นอย่างนี้นะจะเป็นกุศลกับภยกากต่างนะครับถ้าสามปีนี่จิตตานิสิกขาบทที่เป็นอกุศลจิตกุศลจิตแลภยกากต่จิตถ้ามีจิตได้ทั้งสามคือทั้งสามอย่างเลยเช่นก็ช่างสื่นะครับผ้าละหันก็ช่างสื่อได้นะ ในกรณี้ไม่รู้ภาอบัญญัตินะไม่รู้ว่าหรือไม่รู้ว่าเขาอยากสักกันแล้วอย่างนครับเนี่ยนะถ้าเป็นพระทหารก็เป็นพยัญชนะจิตใช่ไหมหรือคนธรรมาดาที่ไม่รู้ภาอบัญญัตินะทําทไปเป็นมุศลนันตก็ได้วางอนุเคราะห์นะต้องการให้เอากลับมาคืนดีกันนะครับหรือมงคลก็เป็นกุศลจิติไปเลยจิตที้รำมกต้องการให้ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนะเล่นมันอยู่รักอะไรกันอย่างนี้นะครับนั่นก็ได้ อ, อืนะครับ หรือว่าดถอนเน่าขุดดินอะไรพวกนี้นะอันนี้ให้เรารูไว้นะครับถ้ามี จ, จินอย่างเดียวคือจเป็นยจินอย่างเดียวสี 2, ่สองสีสามสจเตวทนาสิกามิธีวิธีจาแนสิกาบทโดยหมวดสามหึงเวทนามีสามอย่างนี่เวทนาที่หนึ่งแนกป็นเวทนาสามครับสุขทุกข์อุเบกขานะสมณะ ก, ก็อยู่ในสุขนะครับเวทนาทมณะ ก, ก็รวมอยู่ในทุกขเวทนานะครับ ถ้าจำแนแค่สามนะหนึ่งนะครับเอการเวทนาสิขาหมดที่เป็นทุกขเวทนาอย่างเดียวเช่นฆ่าสัง น, นะครับเพราะตรงนั้นใจเป็นโทสันะไม่ปรตนาอ่อมีจิตปฏิทุสารไม่ปรตนาเขาไม่มีชีวิตตั้งอยู่นะครับดาที่สูตรที่สูนะ์ะตรงนี้นะ่ะเป็นทุกขเวทนาอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเกิดโทสังเกิดร่วมกับโทมั์ น, นะครับทมุมณ์สมเวทนาสองทุเวเวทนา สีข่ขาบทที่เป็นสุขเวทนาเรื่องุเบกขาเวทนาจำเลยว่ดถ้ามีเวทนาสองต้องเป็นสุขกอุเบกขาเวทนาสองว่าจะเป็นสุขกับทุกขอย่างนี้ไม่ได้ครับไม่มีนะในพระวมีัยนี้นะครับถ้าบอกว่าสองเราก็ต้องรู้เลย ว, ว่าคือสุขกอุเบกขาเช่นไรครับเช่นเสษเมตุ น, นะครับเสษเมตุนเป็นอุเบกขาอย่างมีเลยนะครับเออเศษเมตุนมันเกิดมาจากโลภะจิตใช่ไหมสุขอุเบก อุ่งกขาตัวนี้น่าคุณพิาของโลพาสไครับได้นะโลพาสจิตเสร็จเมนทุนนะครับส่วนใหญ่คือจะเกิดสุขุมพิจารณาใช่ไหมยินดีชอบสนนะครับแต่ว่าคนที่เป็นอุเบกขานะก็มีนะครับ เ, เราเรีในพระเมรุเราจะเจอนะคนที่แบบเอาไว้ว่าตายได้ น, นะครับองค์ระชาติต า, ายได้แต่ก็มีจิตจะไปเสร็จนะครับพอไปเสร็จก็เฉลิมฉออุเบกขาไปนะครับแต่เป็นประลาชิ่งเหมือนกันนะนี่เนปะ็ตัวอย่าง เนี่ยนะแต่ใจที่ทําไปถือเรื่องโลภะครับพิจารณาครับเราไปสามติโสเวทนาสิกขาบทพกเวทนาทั้งสามอย่างนะครับก็ได้ทั้งสามเลยขณะที่ทำํำสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้อุเบกขาก็ได้อย่างเช่นกันถิมนะครับเก็บดีลยจีมองไม่เกินสนะิบปันนะเพราะนี้ครก็ไม่จดจงนะครับต่อไปนะครับวันนี้ไม่ต้องจบชิ้นแหละไั่เยก ต่อไปเนี่อาจารย์พยอมท่านจะให้เราดูนะท่านจะยกตัวอย่างให้เราดูข้อหนึ่งนะครับและให้เอามาติกาชั้นสิบเจ็ข้อนี้มาวิ่งใช้อยู่เพางั้นท่านเราดูเป็นตัวอย่างนะครับอนี้ตัวอย่างการจําแนกสขาบทตามมาติการวิ่งใช้อ่าเช่นนะครับสคขาบทว่าสัมปชาญัะมุสาวาเทศ ป, ปาจิตยำเป็นนาบบปาจิตตีในพ่อการกล่าวเทพ ท, ทั้งที่รู้ตัว อัมบับตไปจีิงหมายถึงอัมบัตที่ยังสมรจิตให้ตกล่วงไปนะครับในเพราะการกล่าวนะครับหมายถึงการสือให้รู้เนื้อความทั้งทางกายและวาจาถ้าที่บารละเอียด น, นะครับว่าการนี่คืออะไรไม่เอาพูดอย่างเดียวนะครับให้เขา้ารู้รู้เนื้อความด้วยการก็ได้รู้วยาจาก็ได้เท็ดนะครับหมายถึงเรื่องราวที่ไม่จริงคือไม่เห็นบอกว่าเห็นเห็นบอกว่าไม่เห็นเป็นต้น ครั้งรู้ตัวหมายถึงรู้ตัวก่อนที่จะพูดและในขณะที่พูดว่าเรื่องไม่จริงเขรู้ทั้งรู้นะว่าเรื่องนี้ไม่จริงแลแต่ก็จะโกหก ot, เอารู้ก่อนที่จะพูดนะครับก่อนที่จะพูดเท็จก็รู้ว่าเนี่ยตัวจะพูดเท็เรื่องไม่จริงใช่ไหมขณะที่พูดก็รู้นะครับเอาสองตอนนี้นะเป็นแกนเลยนะครับถ้าว่าก่อนที่จะพูดไม่รู้เลยว่าตัวจะพูดเท็จนะครับก่อนที่จะพูดไม่รู้เลยว่าตัวจะพูดเท็จเรื่องไม่จริง ตอนนี้ก็ไม่ก็จะไม่เป็นการกลาวเท็จแล้วนะครับไม่ได้เป็นอะไรก็จะเป็นการพูดครัง้งพูดพลาดไปใช่ไหมถ้าเป็นการโกหกตัวเองต้องรู้ก่อนใช่ไหมครับว่าตัวเองพูดโกหกนะเนี่นะครับแล้ตอนที่ก่อนจะพูดรู้ว่ขาขณะพูดเป็นสำคัญนะที่หลังพูดรู้ไม่รู้อันนั้นไม่ีัญหาและไม่สําคัญต่อไปนี้ท่านมิใช้ใดูจําแนกตามมาตรการทั้งสิบเจ็ดอย่างได้ดังนี้ หนึ่งสิกขาบทนี้บัญญัติไว้ในเมืองสามัคคีสองสิกขาบทนี้บัญญัติไว้ตารบผาตักกาสากายะบุตนะครับสามสิกขาบทนี้บัญญัติไว้ในพ่อเลื่อนการต่างเพศนี่นะนิทานใช่ไหมบุคคลนะครับเรื่องาแล้วนะ 4. สี่สิกขาบทนี้เป็นปัญญตินะครับก็คือมีภาพบัญญัติครั้งเดียวนะอนุบัญญัติไม่มีนะครับสมถาปัญญตินะครับ เป็นภาพเหมือนที่ทงปวงนะไปโกหงที่ไหนนะครับไปโกหกที่อเมริกาก็เป็นไปอริทีเหมือนกันสันักสาระหณปัญญาติมีทั้งพิสุพิษุณีและอุปัโตปัญญาติทั้งสองฝ่ายพิสุพิษุณีเหมือนกันห้าสิ้าตัวนี้เป็นอนัตติกาณนะครับไม่เกี่ยวกับการใช้ต้องทําเองโกหกเองนะครับมีเป็นอาบัตินะหกนะครับการพูดเท็จจาแนกอาบัตไว้หกอย่าง อันนี้เกี่ยอาบันนะแตกเป็นอาบันได้กี่ข้ อ, อการพูดแท้นะครับหนึ่งพูดแท้เพื่อจะอุ่นตริ่งนุ่งสธรรมต้องปราชิ้นะครับไม่รู้ว่าพูดแท้ไม่ได้เป็นไปปีอันนี้นะพูแท้เป็นปราชิ้ก็ได้นะครับสองพูดแทนเพื่อาการกําจัดที่สุดอื่นด้วยแบบปราชิ้ไม่มีมูลต้องสารฤทธิ์นะครับเนี่ยนะไปโจทย์เข้าด้วยแบบปราชิ้ไม่มีมูลต้องการให้เข้าสึกออกไปเพื่ออย่างศาสนานะ ก็เรื่องโกหกใช่ไหมนะครับมสาริเศษสามพูดแท้เพื่อตางคุณจัตพิสูจอื่นด้วยอวสังคติเศษไม่มีมูลนีล่ก็ต้องไอตีนะครับโกหกนะโจย์ด้วยอสังคติเศษไม่มีมูลนะครับสี่พูดแทด้โดยอ้อมเพื่ออุตลิมนุสษษธรรมผู้ฟังรู้ต้องถุนใจนะครับอุตลิมโดยอ้อมนะครับไม่ได้พูดอักตรมาเลยตรงนะบอกแต่ว่าโนะยมพระที่อะไรนะ อ, อยู่กุฏิเบอร์หนึ่งยงรู้ไหมพระนั้นน่ะเป็นพระอาหารหนะันตล้นะนี่นครับให้ตัวเองเยอยู่กุฏิเบอร์นั้นครับอันนี้ยงเขารู้เรื่องก็เป็นถึงละใจนะนนะครับห้าพูดแท้โดยอ้อมเพื่ออุทิศหนุสธรรมถ้าผู้ฟังไม่รู้เรื่องก็ต้องทุกกดนะครับหกพูดแท้อย่างเดียวนะัะไม่ได้เกี่ยวกับห้าข้อนะอันนี้ต้องบิดาจิตตีอิปการจาแนกอาบัต น, นะ จะสึกษาบทนี้ถ้าพูดเท็จโ ด, ดยหุนหันยังไม่ทงางใครควรก็ดีตั้งใจะจะพูดคํานึ่งแต่ดู ป, ปากพูดคําอื่นก็ดีนะครับเขาบอกพูดพลาดพูดพั้งใช่ไหมทั้นี้ไม่ต้องอาบัติที่สู้บ้าเป็นต้นก็ดีไม่ต้องอาบัตินะครับถ้าบอกว่าคนพูดพลาดพูดพลั้งในสองอย่างนะถ้าพูดพลั้งกว่าเป็นคนที่แบบอะไรนะ่ะคนที่หลงนะครับมีโมหะเนี้ยนะครับ เขาไม่รู้อยู่พูดยังไงดีนะครับบางทีกลัวบ้างอะไรบ้างนี่นะพูดออกไปนะครับการเป็นคำไม่จริงนะพุ่งหันออกไปเพราะความเป็นคนข่าวรั้ว่ากลัวนี่นะครับและอีกแบบหนึ่งนะคือพูดไวไยไปนะครับตั้งใจพูดคําหนึ่งกลับไปพูดอีกคําหนึ่งนี่นะแต่ให้พูดคําที่ไม่ไม่ตรงนะครับแต่ตอนนี้ไม่เป็นอาบัต น, นะเกี่การพูดพลั้งพลด่งพล่านไม่เป็นอาบัตต่อไปแปดนะครับสุขาบท น, นี้เป็นอาจารย์บัต อันนี้จำแนกโดวิบัตินะถือว่าเป็นอาจารย์วิบัติความคืบเสียหายนะครับเก้าสิคาวันนี้มีองสองคือหนึ่งประสงค์จะกาวเทศนะครับสองพยายามให้รู้เนื้อความด้วยจิตนั้นแค่ครบอ ง, องสองนะตรงนี้นะไม่ได้บอกว่าผู้ฟังจะเชื่อไม่เชื่ออะไรนะครับไม่ได้บอกเลยแค่องสองแหละเพราะนั้นของพระนี่จะหนักอโยมใช่ไหมศีลห้าของโยมอง์เยอะกว่า น, นี้่นะของพระแค่องสองเนี่ยโดนแล้วนะครับ ผสมก้วยกายแล้วก็พยายามด้วยกายหรือวาจานะให้เข้ารู้เนื้อความนั้ น, นแล้วด้วยจิตตรงนั้นแหละก็มันไปตีแล้วนะครับสิธิ์นะครับสิทธิ์ข้าบ น, นี้เป็นอัตถินนาทานสมุฐานนี่มาแล้วนะ <c oughs> อัตถินาทานสมุทฐานนะต้องจำาเลยนะครับคือเกิดขึ้นทางการกับจิตจิตมันต้องมีสิ่งที่โกหกอยู่แล้วนะครับทางการโกหกทางการวาจากับจิตโกหกทางวาจา หรือกายวาจากับจิตก็คือทั้งหมดเลยนะครับ 11. สิบเอสิกขาบุนี้เป็นกิริยาคือทำจริงต้องนะครับถ้าไม่ทำไม่โกโหกนีก็ไม่เป็นนะครับ น, นี่เป็นโกโหกไปทำก็เลยต้องนะ 12. สิบสองสิกขาบุนี้เป็นสัญญาไม่โงกนะครับไม่รู้ก็ไม่พ้นอ้ใช่นะพ้นได้เพราะไม่รู้นะครับเพราะว่าคือถ้าไม่มีจิตนะที่โกโหกเลยเนะี่ยมันก็ไม่ต้องอธรรมะใช่ไหมครับผูกทันกุญแจอย่านี่ยนะ คือว <là> ok ่าสัญญาณีม MM ่โมกนะครับส <sil> <Graduate> ิบสามสิครับวันนี้เป็นสจิตกะนะครับต้องมีจิตคิดจะโกของเท่านั้นที่เดือบไปนะทาไมมีจิตไม่เป็นนะครับแรีว่าสจิตกะต้องมีจิตถึงเป็นอาบัตนะครับสิบสี่สิคราวันนี้เป็นโลกราชชานะครับการตั้งใจโกหงอย่างนั้นนเป็นอกุศลอย่างเดียวนะครับแรีวโลกราชชาตสิบห้าสิคราบวันนี้เป็นการยกรรมและเมจีกะนะครับกองทางการก็ได้ทางวาจาก็ได้ สิบหกสิกขาบวณนี้เป็นอกักษรทจิตอย่างดาีนะอักษรนะดีครับนะสิบเจสิกขาบวณนี้มีเวทนาสามอย่างเนี่ยตรงเวทนาอีกทาให้เรารู้ได้ว่าจิตนั้นจิตเป็นอะไ ร, ะรเป็นโลภะหรือว่าโทสะอันนี้ได้ทั้งสองอย่างเลยใช่ไหมครับจิตเป็นโลภะก็ได้เป็นโทสะก็ได้พอเวทนาสามถ้าโทสะว่าโทมันไดใช่ไหมถ้าโลภะก็สุขแล้วก็อุมเบกขา โกหกเรื่องโมหะอย่เดียวได้ไหมครับมืนะนะฝึกใจใช่วันน่ะเนีเรื่องนักกรรมบุมันบริสิธที่หนึ่งหรือที่สองถึงจะพูดที่บานถึงครับหรือว่าที่ห้าผมไม่แน่ใจนะมันจำความที่บ้านไม่ค่อยได้ไงนะไอ้ที่มีก็คือว่าที่เกิดแท้งนะพวงโลผ้าบ้างโทรสามบ้างนะครับคันนั้นมีโมหะเกิดแท้งนะโของนี้เกิดเขาต้องการอะไรนะ เขามีโทรสามมงในบคคนี้เสียหายจะประโยชน์ใช่ไหมครับเสียหายนะเสี ย, ยความไม่ดีนะเขาก็เลยโกโหกไปครับแต่ตอนนี้เขาทาไปเนี่ยมันมีโมหะเข้ามาใส่กนึ่เป็นช่วงเป็นตอนไปนะมองก็ว่าได้เพราะว่าโมหะเนี่ยมันเบ่งให้ทําได้ทุกข้อใช่ไหมผิดศีลได้ทุกข้อใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ได้เกิดโมหะนี้ตลอดสายอะไรนะมันจะมีโลภะบ้างโทสะบ้างแสบครับ แต่ตอนนี้ขนาดก็เกิดนะ่ะเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเกิดโมหะเนี่ยมันเกิดโมหะขนาดนั้นนะมันไปดูก็แล้วกันนะ <c oughs> นาการนาฬิกาก็ไม่ช่อยไค่อยแม่นนตรงนี้อันนี้นะครับก็การที่จะตอนนี้อันนี้ไม่ไว่านะอันนี้อ่ให้ฟังนี้นิดเดียวครับก็การที่จนนนนนะนนนนนนจพิจารณาทำและวินยัยให้เกิดความเข้าใจได้นี้เป็นผลที่เกิดจากเหตุคือการเรียนรู้คำพี ตรนี้ไม่เอานะนไม่เอาแค่นี้นะนนี่ก็ไปาหาเองนะครับท่านแนะนําให้เรียนบาลีใหญ่นะสี่คำพีนิว เ, เอ็ง <S <S 1> <S 1> นี่หัวสมานนะครับในกลางขานี่ก็ไม่ต้องอา่านซ้ำแล้นะครับจะผ่านไปได้สีหไไส่หน้าอะไรนะผานไปได้สี่หน้าอะไรครับไปทไําให้ั่นมาให้นะเรียมเรียงหัวข้อมาเป็นการศึกษาเจ็ดข้อ ม, มาครับเป็นหัวข้อนะแล้วก็ <c oughs> เป็นประลาชี่ข้อหนึ่งถึงข้อสี่นะครับให้เขียนลงไปแต่ละหัวข้อนะว่าเป็นอะไรอะไรนะเขียนลงไปนะคะ <c oughs> รับดีเยี่ท่ากระสานแจกแต่เว้นไว้นบรรทัเหมือ น, น, นกันตอนไหนที่ต้องเขียนเยอะหน่อยพวกองอาบานาบัตเนี่ยนะจะได้ไปเขียนนะครับเขาัขาเนีน่ยคืออาจารย์สุกพนท่เาแน่นอามานะครับว่าควรน่าจะให้สศึกษาเนี่ยนี่แหละเอามาติดการสืเจ็ดบมาไม่ได้ใช้ จะักสิกขาจะสิคขาบนครับตะทำให้ช่วยจำ น, นะแล้วก็วินิจฉัยสิกขาบุได้ดีนะครับลองปลาชท้นสี่ก่อนอยังไม่ท้พอมันไปได้ไหมเอาปลาชท้นสี่ก่อนครับอันนี้ก็แค่นี้ครับในท้ายสุดนี้ขอความเจริญงอกงามใต้ดวงพระพุทธศาสนาจงเด็กมาาเมื่อได้วยการทุกท่านเธอ